การทำบาปทำบุญมันจะเห็นตรงกันข้ามเสมอการทำบุญการทำบาปเนี่ยพอดีไปถึงนี่มันตัดทัพพอดีมันจะเห็นสิ่งนี้แหละมาผ่านหน้าเราตัดปุ๊บเพราะมันเห็นเป็นกั้นเดียวจริงไหมแต่ไม่ใช่สมมุตินะไม่ใช่คิดเอานะควมคิดจะไปว่งๆเนี่ยเพราะมันไม่มีเครื่องอะไรพอดิตัดปุ๊บมันก็อ๋อทางออกนี่เองนกยิงออกจากทุ่มไม่ได้เพราะมันตัดอันนี้ไม่ได้ เราเดินไปเนี่ไม่ไม่มีอะไรมาติดมาพันเราไปว้างๆเห็นแล้วกตัดตัดโอ้ทอนนี้เองนะพอดีสัตออกไปแล้วก็แปลว่าคนหมดกิเลสแล้วตายจึงไม่เกิดแล้วเพราะว่าคนไม่มีกิเลสตายแล้วเกิดเรื่องทอนนี้เองเรื่องทอนนี้เองไม่รู้อันนี้หลวงพ่อประโทแม่พระพุทธเจ้าหรือใครพูดว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่จิตปีแล้วจะมีอเนกสงถ้าหากไม่ได้เป็นพระอาหารต้องเป็นพรนักธรม เทศมาตั้งแต่อายุสิบกว่าปีถึงอายุสี่สิบหกปีไม่รู้ทิศทางไม่รู้ทางออกเลยอยู่ในถ้ำไม่รู้จักรูปทรงของถ้ำแม่ไม่รู้จริงๆเมื่ออายุสี่สิบหกปีโอ้นี่ของเล็กน้อยแต่เราไม่เข้าใจข่มหมายนี่แหละภาษาพุทธศาสนาจับมาจากประเทศอินเดียแต่เราไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นพุทธศาสนาทั้งหมดมาสะท้อนถึงว่าคําสอนและที่ใดก็ตามเราต้องฝังแต่เราจะไปเชื่อถือ ต้องเอาตัวเราไปฝึกปฏิบัติให้มันรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่เราจะไปคาดคิดเอาไม่ได้เดาเอาไม่ได้จะรู้ลงหน้าไม่ได้เรื่องนี้อ่ะพอดีมันเป็นอย่างนี้แล้วขวมทุกก็จะไม่มีควมสุขก็จะไม่มีควมสงสัยก็จะไม่มีใครว่าไม่มีอะไรทั้งหมดจะว่าอย่างไงไม่มีอะไรนี้จะว่ามีทุกหรือก็ไม่ใช่จะมีสุขด้วยก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ไม่ใช่ คือไม่มีอะไรกับแล้วกันนัอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินไม่มีทองไม่เมีอันนั้นจะอีกคนละเรื่องกันให้เข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยถึงที่สุดแล้วหยาญย่อมมีทันวันถึงที่สุดแล้วหยาญย่อมอมีเมื่อขาดปุ๊บเนี่ยไม่เกินพอวินาทีจะมีอันมาตัดสินให้เราทันทีก็เพราะเราเห็นแจ้งดวงจริงตําหน่ของเราที่ลีลาพระเจ้าเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรายังตัดกระแสอันนี้ไม่ขาดแล้วพระพุทธเจ้าจะด่าพระวรกลิศนี้ไปให้พนพระวรกลิศนี้ไปให้พ้พนพทันวันอย่างนั้น พอเราไปติดกับความคิดติดกับความดีเนี่ยมีอารมณ์ติดเอาต่อันนั้นไปอันเนี่ยไปไม่ได้รบ <pipe with> <ps> พอบพระพุทธเจ้าว่าหนี้ไป พ, พระวักกลิศไม่ใช่ติดตัวคนนะไม่ใช่ตัวคนอันนี้จะวาง พ, พระวักกลิศบางขอบคิดอันนั้นถ้าเธอไปติดขอบคิดอันนั้นไม่มีวันไม่มีเ ว, วลาจะพ้นจากทุกข์อันนี้ได้อาจจะพดอย่ากนี้ก็ได้นะแต่เราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าตัวเ <says nothing. S 1> พราะว่า พ, พระวลิศไปติดความยินดีอันนั้นเีธอไปเห็นพระพุทธเจ้าอันนั้นมันเป็นลวงตา ยังไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแท้มันเป็นพระพุทธเจ้ามาลวงตาท่านจริงจัว่าเห็นพระพุทธไม่ใช่ทองคําเห็นพระธรรมไม่ใช่บาลานเห็นลูกสาวบ้านไม่ใช่พระสงฆ์ถ่านว่าอย่างนี้แต่เราก็เลยไปเห็นพระพุทธเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์อันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเหมือนกับพระวรกลิศไปติดอารมณ์นั่นเองเย่เข้าใจอย่างสันริงว่าให้ทุกคนพยายามเสียงพระพุทธเจ้าล้องอยู่ทางโน้นรีบไปรีบไปหาพระพุทธเจ้า เข้าไปจับแค่จับโอ้เนี่ยพอเราจริงๆริแม่เราจริงๆจับคนอื่นไม่เหมือนกับจับพ่อเราจับคนอื่นไม่เหมือนกับจับแม่เราคนอื่นจะเพียงว่าคือพ่อเราคือแม่เราเราจําได้พ่อเราแม่เราอยู่ที่ไหนเราเกิดมาก็ต้องเห็นที่ต่ว่าคันพ่อแม่ห่างยากอาจจะเมื่องอยู่ในท้องมันจะมียำบุได้แท้ๆพอบุโคจักหน้าพอเนี่ยถ้าเกิดออกมาแล้วต้องเห็นหน้าพอจริงจริแล้วก็จะจําได้จริงๆดนงนั้นทางไปหาพระพุทธเจ้านี่ไม่ยากถ้าทำจริงเรารับรองได้ รับรองตัวสัจจะว่าทุกคนต้องประสบว่า ต, ต้องตายเราจะตายโดยคนไม่รู้หรือเราจะตายโดยควรู้เราจะอยู่เป็นคนด้วยความทุกหรือจะอยู่เป็นคนด้วยคนไม่มีทุกเอาเท่านี้ก็พอถ้าหากว่าเราอยู่เหมอยู่เป็นคนด้วยไม่มีทุกรีบศึกษารีบปฏิบัติทำความรู้สึกตัวมันคิดอย่าไปยุ่งกับความคิดมาเอาไว้ควรู้สึกนี่เองจังเลยทุกต้องกําหนดรู้ตัวนี้เป็นก้อนทุบ มันเป็นก้อนทุกอันนี้มันเคลื่อนมันไว้อยู่ตลอดอยู่แล้วสมุทยต้องละตัวคิดเป็นตัวสมุทัยสมุทยจึงทาให้ทุกข์เกิดมันยจึงเป็นฝาบังอยู่บางทีเมื่อมันคิดออกมาปุ๊บเรามหาตัวนี้มหาตัวนี้มันข า, ขาดผู้เดียวมันมักต้องเจริญทำความเคลื่อนไหวได้มากๆนี่โทษทําให้เจ่าจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้จริงๆพระพุทธเจ้าทั้งสิ้สอนไว้สัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นสถาคดไปถึงแล้วแหงนะคือไปถึงที่สุด ข, ของทุก แต่เป็นของทุกคนเป็นสมบัติของทุกคนจีวะนิพพานสมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ไม่เป็นสมบัติของสัตว์อิรษานดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ตัดกระแสอันนี้แล้วมันจะไม่เข้าถึงมันจะไม่เข้าถึงจริงๆที่พูดให้ฟังในวันนี้เพื่อเพราะประมวลคนรู้มาแล้วมาอบรมกับมาฐานตั้งแต่วันที่สามสิบพูดให้ฟังเท้าเย็นสันเท้าสันกลางวันหลวงพ่อพูด หาไม่จํำปิดแต่โดยมากก็ต้องพูดทุกวันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สี่เดือนมกราเป็นปีใหม่แล้วสองพันห้าร้อยสามสิบนักปฏิบัติก็มีพูดที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติจากที่ตีแต่บางทีไปปฏิบัติที่อื่นมางคนมีนะหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะมาปฏิบัติที่นี่ให้เรารู้ให้เราเข้าใจอยาไปเหลีวไหลไรลาสาระหลวงพ่อเคยถามคนมาหลายคนแล้วยังนัดทันคนมีคุณเกิดเมื่อไร เขาว่าเกิดเมื่อนั้นเมื่อถามคุณก็ได้คุณอายุกี่ปีแล้ว <45. S 1> 43ปีพ่อคุณจําได้ไหมพ่อคุณอายุกี่ปีคุณคุณน่ะพ่อคุณตายยังไม่ตา ย, ย, ตายดเดี๋ยวเดี๋ยวอ้แม่กันยังนะงอ๋หอหลวงพ่ อ, พอขออภัยเดี๋ยวเดี๋ยพ่อคุณสอนคุณคําแรกที่สุดจําได้ไห ม, ไมไแน่แล้วจะไปเสื้ออะไรสแล้วนะเพียงอายุ43ปียังจําไม่ได้แล้วคนเนี่ยมันนัอง โอ้พูดมากเหมันกับไม่ค่อยดีแต่ต้องจำเหมนก็นต้องพูดเพราะเราพูดก่อนกินตอนนั้นจะจื่อซาดได้นลยจะเพียงเกิดมาอายุสี่สิบ ก, ก็เปย่างจำไม่ได้แล้วนี่จะว่าอย่างไงเนี่ยคนที่มันเข้าใจผิดกันจริงๆเนี่ยยังว่าเหลวไหลไหลสาระทันวันนี่แ่ละกตระตุกตมลนัญญนเครื่องรางของขังดูลึกนามยามดีสิ่งที่ไรลสาระมีไว้เพื่อทําไหมมีไว้เพื่อหลอกคุณโง่เท่านั้นเองคขาบ่าคุณโง่อย่าสุขเครี คนบูฮู้จักก็ยังกระเทงน้อยหนึ่งแต่ความจริงคนบูฮู้จักกับโง่ไม่อันเดียวกันโง่และอย่างเป็นรองสรรเป็นบอ่ออย่างให้เขาลอกเขาต้มรองอสรรท่นคนสลาดคนฮู้จักที่มาตัวเขาได้อย่างไรเขาว่าเขสร้างเขาและเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเขานี่แหละมันตัดบวขาดทั้งหมดเลยแม้แต่เจอเรื่นิพพานา ก, ก็ยังตัดไม่ขาดให้ทานก็ยังตัดไม่ขาดรักษาศีลมันก็จะตัดไม่ขาดเพราะมันเป็นพลงตรงตังมันอีลงตรงตังว่าจะาเป็นวานนะบดบอกอย่าวาไปแต่ข้อน่ะบดต้องวาไปมันท่วงเราไว้ ค่วงขมจะเลินเลยเลิกทั้งหมดเลยเอาแต่ความรู้สึกอันเดียวนี้เท่านั้นเองจะว่าความรู้สึกได้เป็นปัจจุบันไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตรู้เดี๋ยวนี้เนี่ยอารมณ์เมื่อกี้นี่มันไปแล้วอย่าไปนสนใจมันยังว่ามันคิดแลว้วก็แล้วไปมันคิดดีก็ตามคิดดวก็ตามเอาปัจจุบันนี่แหละเดินไปเดินไปมันจะเป็นเองมันขมเป็นเองมันมีอยู่เรียกว่าสัจจะมันจะตัดเองมันนี่ว่าสัจจะตัวเนี้มันเป็นเพชรจริงๆ แลมีมดจุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ทําไมเราไม่หงายของที่คว่ำเพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้จักวิธีหงายขอมันหันแน่นเข้ามาสิทำไมจะไม่หมุนออกไปมาไขเอาไห ม, ามาแล้วคนพุ่มาให้แบบนี้เอา้าหันเข้าไปหันยิ่งหันขอยิ่งติดแบบนี้หลวงพ่อมาให้กุญแจปักตายกับกุญแจเลื่อนถ้ากุญแจปลักตายเอาสวงเข้ามานัดน่ะสิหมุนแต่ถ้านัดมันไม่ดีก็หมุนโคเล่มมันจะไม่ติดเอากุญแจปักตายเข้าไปหัน จับเงาๆที่ท่วงที่มันไปเองถ้าจะจ้อ บ, บิดองศ์งมันไม่ไปมันติดเนี่ยเอาแส่ ก, กระเจี๊ยบแตะจับงู่นียไขเล ย, ยเงี่ยเหมือนกับกุญแจกุญแจ น, นี้ไปไขซุบเข้าไปบิดปั๊บน้อยเดียวเนี่ยออกมาทันทีความรู้สึกนี้เป็ น, นกุญแจลูกเอกเป็ น, นกุญแจลูกเอกจริงๆเป็ น, นกุญแจที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้ที่ว่าศึกษาของเก่าไม่ศึกษาของใหม่เต้นมาให้เห็าที่โอ้ยมันเฮ็ดไหมดอกแต๊มันไหม่มือนี้แต่มันเก่าตั้งแต่นเต้นไดเต๊ เกิดมาต้องเป็นรถอันเนี้ยเรว่าศึกษาของเก่าแต่คนไม่เข้าใจว่าหาว่าเป็นของใหม่ไม่ของคนนั้นแต่มันเก่าของเราของเก่าแท้ๆเราหมากคนให้มันเห็นของเก่าเราไมาเห็นเมื่อนี้ก็เป็นของเก่าเมื่อนี้แต่ของจริงนั้นน่ะมันเป็นของเก่าอยู่แล้วเราไม่ศึกษาเพิ่งมาเห็นก็ว่าเป็นของไม่คนจริงเป็นของเก่าเห็นว่าคนเกิดมาหลุดจากพ่อแม่มาเคลื่อนไหวในวะศึกษาคนรู้สึกนี้เองของเก่าแท้ๆเนี่ยเกิดมาก็รู้สึกอะไรสิเลยแต่เรา ไม่ได้เกิดมากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นอาจารย์หมายว่าของเก่าแท้ๆพราไปเจ้าจงว่าสอนเรื่องของเก่าจริงๆพวกเรามาทํานี่ก็ทําเรื่องของเก่าจริงๆอยากให้รู้ต้นตอของเก่าจริงๆมันเป็นอันโพสะโมหะโลภานี่มันก็ไม่ได้มีอยู่ที่เราเพราะเราลืมของเก่าเหล่านี้เองพอดีคนมาพูดเปุ๊บวางตัวนี้ไปฝังตัวนั้นแน่เข้ามาตกหน้าเราแล้ ว, ลวเนี่ยสู้เขาไม่ได้แล้วเขาใจอ่อนแล้วปั๊บหนึ่งเนี่ยจะเป็นสู้เขาได้แถไมคู่ต่อสู้ อันนี้มันเป็นของจริงไงโดยนี้เนี่ยไม่มีโกหกไม่มีลบไม่หลงเลยพอดูพุทธอุปัฏฐากเดี๋ยวเบื้องหน้าเขาเดี๋ ย, เย ว, ว, นน ว, วเนี่ยลืมโตไปเลยอันคนหลงตนลืมโตเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายลายการกายันหนักที่สุด พ, พระพุทธเจ้าพระยังสอนว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดในทันวันแล้วว่าประมาทในอย่างบุปมาท์คือไว้พอไว้เนี่ยอันนั่นกระทุกยู่บุปมาทให้รักษาศีลอนนันกระทุกยู่ โบประมาทได้เป็นว่าย่าลงใจเป็นว่าท่านมันคิดมาให้รู้จักเป็นว่าท่านให้หลวงพ่อาว่าภาษาบ้านหลงวงพอ้องเขียนพอได้ลงคงคิดปั๊บประมาทแล้วน่ะประมาทแล้วเ ม, ม่ได้เห็นของที่นัเขาจิ้มมาไว้เขาเมื่อได้บูฮู้จักเนีพอได้มาว่าเอาแล้วบนนี่ยตำตุ๊บเลยเนเจ็บบ่เนี่ยนานเขานอกเอาแล้วบัด น, นี้เอามาคู่โตะทุบมาเอามาแล้วตีใส่ลุงตาปั๊บเลยเนี่ยนี่ยมันได้เปลี่นเสนเปี้ยนเดี๋ยไวที่สุดขูมเร็วอันนี้ยมันไวที่สุดเนี่ย พอดูคู่โต้รุ่งมาปับ๊บไปดุงตาเลยอันนี้เป็นเบื้องต้นที่สุดเบื้องต้นที่สุดอันเนี้ยจะเดินไปหาทางโน้นต้องเข้าจุดนี้ก่อนจังหวะให้รู้สึกอันนี้ก่อนรู้สึกเข้าวรู้สึกเข้าวมันเป็นแย่างเหนียวแล้วบบนี้กี ด, ด้วยเข า, าอ็ย่างเหนียวโยน็จปุ๊บเป็นของแข็งซัวีแล้วหลวงพ่อเคยให้มูดเทมปั๊บเนี่ยสเสด็จคืนมาปั๊บเลยนี่ยเนของแข็งตอกแข็งของแข็งกระทบกันแล้วนี้จากนี้ไปเลยจังหะไปให้คนเลยอย่าไปติดจังหวะดังนั้นที่หลวงพ่อให้ข้อคิดมานี่ของง่ายที่สุด ซุปเปอรี่เห็นทันทีเลยอันนี้เราหลับตาอยู่ซุปเปจี้เห็นทําไม่เห็นเลยเพราะเราไม่ฟังเสียงอะไรจยูว่าพระพุทธเจ้าเรียกม า, ม า, มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไม่ไปเลยไม่ไปจริงๆคนเนี่ยจํานวนคนไทยถือศาสนาพุทธคนเท่าเด่นจักรล้านนึงจักรล้านเนาะแล้วก็คนไทยทั้งหมดสี่ล้านคนห้าสิบล้านห้าสิบล้านคนจะไปหาพระพุทธเจ้าไม่ถึงล้านคน ถ้าไปหาพระพุทธเจ้าดังลานคนในเมืองไทยไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องเนี้ยแมื่การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยโอ้มันน่าคิดจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่ามาทางนี้มาทางนี้มันก็ไม่ไปเพราะเราไม่รู้เนื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ขัดคอคนเขาทําไปเขาตามถ้านเชื่อไหพยายามเข้าถึงคนเพราะนั่นเองเข้าถึงเขาแล้วเขาจะได้รู้ที่ว่าความทุกข์ควา ม, มสับสนวุ่นวาย เราก็เคยได้ยินมาแล้วหลายคนที่เคยพูดให้ฟังมานี่บวชมากันนานหลายคนเลีอนจบกปรียาเอกก็มีกันหลายคนแต่พูดแต่คนละเรื่องกันนึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อจะก้อนเสื้อไปทั้งหมดเลยเปเรียนมนคงน้ำครูบาอาจารย์เนี่ยคอเนี่ปฏิบัติธรรมรู้เบื้องแรกที่สุดอันนี้อมทุลีโทุลีก็เถอะอกูมีแผ่นทองั้งผ้ากันหน้าผ้ากูแกนปันเหินตีนกูแกนปันเล็กก็เถอะขนแข้งกูท่อ น, น้าําคาขนขากูท่อขนเมบน กูจักเต้นไปได้ห้อยโยกพันวา่าพญามณ์บนทางหลายจะมากั้งมาบางังตรงกูสินพอดีเมงงอดตกสาขาเนี่ยเบิ่งเมงงอดตัวเม่ย ง, ง, องยฟองนะรู้จักรูปนามาลุกลงขอบบ้านี่อะไรก็โทสมมุตินี่จริงจริงแม่มันบงังจริงๆเมื่อใดเจ้าจะเปิดโลกอันนี้ได้เปิดได้ตั้งแต่เมื่อนานมาถึงมื่อนี้โอ้ไสเจาวายังในเรื่องของเขาจรไม่เป็นนกสิบต่างแล้วหลวงพ่อเรียนไม่เป็นจริงจริงเจาวาอย่างเลยตายแล้วเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไม่สงสัยเลยเนะีอยากเกิดก็ได้เกิดไหม หรือไม่อยากเกิดได้ไม่ได้เกิดไหมไม่เห็นหรือไม่รู้เพราะตัดเส่นนี้ไม่ขาดเลยถ้าตัดอันนี้ขาดแล้วไม่ต้องถามใครเลยใครจะมาถามปัญหาเนี่ยแก้ไม่ได้สักทีเลยหลวงพ่อเคยถามปัญหาครูบาอาจารย์มาหลายคนแก้นนีน้แก้นี้ไปมันไม่ได้แก้ทั้งทุกจุดเลยขันแข้งเนี่ยไปยิกศีรษะพี่มันไม่มีแรงเลยบัด น, นี้อ้อยไม่ต้องถามใครมันขันแข้งจับปั๊บมีแรงทันทีเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดให้เนีหลวงพอพูดทั้งวันก็นได้ให้พูดจนหมดลมหายใจก็ได้นีน่แปลว่า รักษาอาวัยยวะรักษาชีวิตเราหมายความว่ายัางไงเสียสลาดเงินทองเสียสลาดชีวิตหมายความว่ายัางไงเราก็ต้องการพูดความจริงให้คนฟังเท่านั้นเองบัดนี้เราไม่ต้องการความจริงเสียแล้วคนที่พูดก็ไม่ต้องการพูดความจริงเสียแล้วไปเราพูดได้ว่ายอมเสียสลาดทรัพย์ยอมเสียเงินเสียทองเพราะเ่าอยากตายพูดได้แต่เมื่อเอาจริงจีนแล้วพูดไม่ได้เลยดังนั้นคนที่จะพูดได้ก็ต้องยอมหนุวงพอเป็นลงมาเลยเอาตัดเลย หมอเขาเก่งต้องตัดทันทีเลยเขาไม่กลัวเลยคนจะตายเลยไม่กลัวเลยเขาจะตัดทิ้งเลยหลวงพ่อตัดหลงพอหลวงพอ่อเขาตัดออกเลยหมอเขาไม่ยันหน้หลวงพ่อตายถ้าที่สองก็ตัดลำไส้ออกเลยคนที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยเอ้าวมาเลยพวกพวกคนกล้าจับมือได้รับรองไม่เกินสามปีจะเป็นคนจริงซะด้วยนะนี่จะเป็นหมอที่จะให้ยาไม่ใช่ให้ยากินแก้โรคประสาทนะอันเนี้ยไม่ใช่ให้ยากินแก้ปวดหายนะ จะเอาโลกให้หายอันเนี้ยต้องตัดเชิงเนื้อลายนะ่ะถ้าไม่ตัดเนื้อลายมันจะกลับคืนมางอกอีกซึ่งมะเร็งเนี่ยหลวงพ่อไปตัดหมดแล้วนะอิทอนหมอเขาว่าหลวงพ่อจะหายไปได้ห้าปีไม่ถึงห้าปีเลยแค่สองปีปีที่สามกลับคืนมาแล้วีวันนี้หมอเขาบอกว่ า, วาจะได้สามหรือจะได้สองปีเลยได้มาแล้วเก้าเดือนแล้วยังยังพอได้อยู่อันนี้ไม่กระเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อกล้าตัดสิงอ่ะตัดเลยถ้าหากได้ตัดสินใจขนาดนี้พาตัดไม่ได้เลยเป็นหมอจะไม่ได้เลย หมอจะ่ไปร ล, ก ค, ลกคําลูดหาเอาอยาแก้ปวดให้กินแล้วเราจะไปยังกินยาแก้ปวดโรคไม่หายรับรองไม่หายจริงๆถ้าไม่ผ่าตัดจริงๆอะ่ะเอา้านื้วมันเป็นโรคตัดขึ้งท่านิ้วนี่อแขนเป็นโรคตัดทิ้นี่คือคุณอะไรคุณที่เป็นครูมานี่นะ่ะขาเปะน่ะครูครูก็ครูเนี่ยนางยู่เทนั้นนะ่ะก็ต้องตัดใชนไหมคะ มันมันเป็นโรคเนี่ยต้องตัดหมอก็ต้องให้ยารักษามันจะไม่มันจะหายได้อันนี้คันป่ไว้นี่ยเป็นโรคเลยมันจะกินไปทีเด็ทีกินไปทีนีผลที่สุดตายเลยเนี่ยอันเราไม่กล้าตัดทุกวันนี่ก็เพราะว่ายังไม่มีหมอเรียนจากเมืองนอกมาพอดีเราไปเจอหมอเมืองนอกเอาตัดเลยนะผมไม่กลัวดอกเอาตัดเลยแต่ขอให้ผมหายจากโกรคก็แล้วกันมาถเถออ่ะรับรองได้สามปีมีเงินเนเท่าไหร่ตั้งอาสามาเลยนี่กล้าได้อย่างนี้แหะมีเงินเงินบาทออกปฏิบัติถึง3ปีนะ อยากคิดให้วันลกสิบบาทก็ได้อืมจริงๆนี่จะมาคนพูดจริงกล้าจริงแต่เพียงว่าจะให้อะลดโทสะโมหะโลภเนี่ยอ้าวให้เวลาหนึ่งปีไม่เกินเพียงลดได้อันเนี้ยอ้าวจะให้มันถึงที่สุด ข, ของทุดอ้าวให้เวลาสามปีสามปีคครมานั่งสามปีนั่งอยู่คูยจะไดก็ไม่เข้าใจอีกแล้วสามปีก็เป็นคนเสียสละจริงๆทุกไม่มีอืสนุกไม่มีอา้าวเนี่ยทำาจริงจริงๆเนี่ยอ้าวหลวงปู่กุลว่า ไม่เกินสามปีเพราะตำหนับอกไว้แล้วว่าอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันมีอนกสงสอ ง, สองประการหนึ่งเป็นพระอรหันต์หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์นั้นต้องเป็นพระอนาคามีอันนั้นเอาไว้ตาํารากหลวงพ่อทํามาแล้วตั้งแต่อายุสิกปีถึงอายุสี่สิบหกปีไม่รู้เมื่อมาทําแค่เดียวมันรู้ไหมทุกคนก็ต้องจะรู้อย่างนี้แต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะเพราะหลวงพ่อเห็นแล้วเนี่ยไปปฏิบัติตํากัน หลายคนแต่ว่าเคยพูดให้ฟังนะรู้ไม่เหมือนกันเพราะความตั้งใจไม่เหมือนกันอันนี้ก็สัมผัสเหมือนกันหลวงพ่ออยากรู้อยากเห็นที่ว่าไม่สนใจกับเพื่อนเลยในฮอยพสมุกเนี่ยเป็นคนชอบพอกันดีร้อยไปคุยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อหาวิธีนี้ตากแกดกหลวงก่ไปยืนอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวไม่ตอบสามวันนะไม่มาแล้วนี่เพรว่าเราอยากมีพักมีพวกเนี่ยให้ค้ามูเดียวกันท่านดีกว่า อันนี้ก็คือการอันนี้ปัญหาเสียสวัสดิ์วายานี้ยากจึงเขาให้พกหวกเสพสารเสพเนี่ยท่านยากมีศิลมีทําให้ค่าพอตีแม่ทอยากให้คนมาได้ข้ามูเดียวกันยากมีสินมีสันให้หนอนดีกเพื่อฟุ่นมสันหวาดั่นไม่รู้หนวงพอเจ้าอนอ๋อประเดี๋นี้คาพูดเป็นเล่นนะเป็งการสนุกสนานว่ากันเพื่อมันเคราะหูคนนั่นเองแต่ไม่ต้องพูดอย่างนั้นเลยอ้าวทําอย่างนี้และ้วทําให้ติดต่อกัน นี่ยพระพีเรียงยุวศาสนาในก็มีหลายคนแย่เด่นจังหว่าเปิดอบรมที่นี่ไม่เอาอย่างเดิมเนี่เป็นปฏิรูปไม่ใช่เป็นปฏิวัติกับปฏิรูปพระที่เรียงจะเข้ามาออกเอาเลยขเจ้าบ้านขวงเขานมอบหัวเขาหยางมอบหางเขาโลกวันวันวานคือมอบให้มาสอนแล้วต้องสอนทันทีเลยไม่ต้องพูดเอาพูดให้ฟังทำไมไม่ต้องเป็นปฐมมาเลิกอะไรอะไรนะคันท้าเป็นปฐมมาเลิกอยู่มันไม่ได้รู้เดินจะกรมที่เอาเดินให้ดูเลยเอาทาจังหวัดทำให้ดูพระทีเดียงอันโคมรู้สึกนั่นแหลเป็นปฐมมาเลิก เพราะให้เขารู้สึกตัวเพราะเขาไม่เคยรู้สึกตัวนีสอเรื่องนี้ไปเอารับรองรู้เรื่องรูปนานเนี่ยเอาให้สามสิบวันกำหนดเอานักสามสิบวันไม่พลาดเลยถ้ า, าพลาดจะเสียต่างๆให้เลยเอาเดือนนึ่งเท่าไรตั้งอาัตรา ม, มาเลยแต่ว่าขั้นารู้แล้วจะทำยังไงก็ต้องมาสนับสนุนเป็นวันเปนอย่างนี้นี่อา้าวันี้ทาจะเพียงให้ละข่มโกดเนี่ยเบาลงเอา้าให้เวลาปีหนึ่งสามรอยหกสวัน ถ้าหากเราไม่รู้เอา้าคิดให้เลยอาจารย์เดือนเดือนท่านั่นคิดให้เลยถ้ารู้แลยังได้แบบ น, นี้เอา้าวจ้องสนับสนุนคนว่ายอยางสันพระพุทธเจ้าสอนจยางสันเรืยกว่าพุทธศาสนาจ ะ, จะเจริญขึ้นมาได้จริงๆถ้าหากคนไทยศึกษาตามหลักวิชาการของพระพุทธเจ้าจริงๆเดี๋ยวนี้เราไม่รู้หลักวิชาการของพระพุทธเจ้าเราก็ไปดูอำตำราคุณตำรานะี่ยอาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้คือว่าแผยในาของเราคนอื่นจะไม่เห็นไม่เห็นจริงๆ มันอยู่ที่ที่รับว่าเดียเมื่อแท้ของเราเราต้องรู้เองจิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแท้เป็นว่าอย่างนั้นเลยส่งคนไม่รู้เรากขาต้องรู้ด้วของเราเอาคุณเป็นแท้อยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมตมัณมีแท้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไหคนนี้ <laughs> ไม่เลยอันนี้แหละสัญญาจิว่าสัญญาตัวนี้แหละจ่ว่าเป็นสัญญาแท้ๆไม่ใช่สัญญาว่าเกิดเมื่อนั้นวันนี้อันนั้นยังไม่ถูกต้องการทําบุญวันเกิดคือว่ารู้จักสภาพภาวะอันนี้เมื่อใดแล้ว นั่นแหละเป็นการทำบุญวันเกิดเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดการเห็นแจ้งจีง่หว่าจิตใจเบิกบานล่าเริงจึงเป็นบุญแท้จึงเป็นการทำบุญวันเกิดแท้ๆอันนั้นโอ้พอแล้วว่าเนี่ยเอาละที่ได้พูดให้ฟังมาวันนี้ก็เห็นว่าสมวรและจะพูดมากก็ยังยิ่งมีมากไปขอให้เราไปตัดวงจรให้ได้นะถ้าหากไม่ตัดวงจรไม่ได้อย่าไปนอนหลับทับทิดศเราจะมีปัญหาขึ้นมาอย่างหนักทีเดียว ที่อาจารมาได้นำธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเสวลาแล้ววันนี้เป็นวันที่สี่วันอาทิตย์ที่สี่ในขณะนี้ก็บ่ายสองโมงกับห้าหกเจ็ดนาทีนาฬิกาหลวงพ่อนะอาจจะไม่ตรงกันนะของคนอื่นอาจจะเป็นอย่างนึงได้ว่านาฬิกาไขนาฬิกาเราดูของไขของเราีิว่านี่แหละสมาธิกิของคุณยังไม่ถึงเที่ยงของผมมันถึงแล้วผมก็เสื้อของผมที่เพราผมเคยใส่ของผมเนี่ยผมจะไปเสื้อของคุณทําไมเนี้เขาจะยังนะ ยังว่าขอให้ทุกคนทุกคนจงตั้งกตั้งใจทําผมรูสึกยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนให้ว่าเข้าห้องน้ําห้องส้วมทําคมรูสึกอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นแผลเราเป็นสัญญาตัวนี้จะทําให้ปัญนาญาเกิดขึ้นเมื่อสมบูรณ์แล้วปัญญามจะรอบรู้ทันทีคําพูดไน้อยแต่เป็นมากดังนั้นอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะยินดสถานทีน อาตจมาขออ้างอิเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคา ส, สอนขององค์าาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอันตาาราสาวกพระสัมมาสัมพุทเจมาเตือนจิตสะกิตใจว่าสุสือได้หนึ่งเนี่ยเพราะว่าให้มาเตือนมู่สุซือได้นี่เตือนจิตตะกิตกใจของพวกเราให้พวกเราทํำกลมรู้สึกชูแจ้งเห็นจริงตามกลมจริงอย่างที่อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นถาถคตไปถึงแล้วแห่ง น, นั้น แล้วจึงมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายเราคึกปฏิบัติตามอย่างเราตถาคุนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคุณนีรับรองจัะเสียสลรทรัพย์เพราะอาวัยวะจัะเสียอวัยวะเพรารักษาชีวิตจะเสียชีวิตเพราะรักษาควมจริงอันนี้เอาไว้คือว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผั น, นคําพูดเนี่ยพู้ที่ไหนหลวงพ่อคนไม่ได้พูดคํานี้หลวงพ่อไปไม่ได้พู้ที่ไหนก็ตามผู้ไกลๆหลวงพ่อก็ต้องมาพูดที่นี่ถ้าไม่มาพูดที่นี่หลวงพ่อไปไม่ได้ใช่ไหม ควมจริงพวกท่านก็จะประสบจริงๆจุกเหวถ้าหากว่าไม่มีวิธีจะจุกเหวทุกเก้นทุกนามจริงๆขอให้ทุกคนจงประสบกพระเห็นอะไรเช่นี้จงทุกทุกคนเธอ